พอนอนเสร็จแล้วก็เนี่ยขาของท่านก็นไปไปดูนกับมุ้งน่ะทางนี้ทางทางนี้หัวทางนี้ตีนด้วยงั้นไอเสือตะกกดเสือดําน่ะมันหากินหมาได้ใช่ไหมถ้ามันเห็นคนมันจะต้องต้อ ง, อ ง, องมองมอ ง, มองถ้าเห็นพวกนายพรานไปต้องมีหมาไปด้วยเนี่ยหมาไปนอนอยู่ในกองไฟเสือจะไ ด, ด้โดนตะโกป๊อ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 เมื่อคุณหมอได้รับจดหมายฉบับนี้คงแปลกใจแต่ก่อนไม่เคยได้รับจดหมายจากท่านอินเลยก็จริงอย่างนั้นนานๆก็จะได้เขียนทีหนึ่งคราวนี้เนื่องจากเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนมีนาคมนี้อัตมาได้ออกจากป่าคร่ากาบท่านอาจารย์ใหญ่วัดป่ามันตาดแล้วกลับป่าในวันนั้นถึงที่พักห้าทุ่มเ็จเศษไกลพอดู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 หลวงพ่อก็จะรุ่งโหยงเลยตั้งแต่บัตรนั้นมาน่ะหลวงพ่อก็เลยไม่เขียนจดหมายบัตรเนี่ยใครเขียนจดหมายมากว่าไปตอบไปกระทั่งทุกวัน น, นะนี้น่ะถามที่นี่ว่าใครบ้างได้รับจดหมายหลวงพ่อเนี่ยหายากนะที่นี่เอพราะเหตุใดเพราะหลวงตาท่านเตือนจะกคราวนั้นละ่ะหลวงตาท่านเตือนหลวงพ่อจะคราวนั้นท่านว่าจดหมายจดหมายทำอีนมันเกินกรุงเทพแล้วนะน่ะ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 ใครเขาว่าเป็นที่ล้ำลึกทีหลวงพ่อได้ตอบจดห ม, มายมาจะเขียนมากน้อยกับสุดแทพแต่หลวงพ่อจะเขียนมาเอหลวงพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยตอบอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าคํานั้นมันยังมันยังกระเทือนอยู่ในในใจหลวงพ่ออยู่นั่นเองที่ลวงตาสั่งเนี่ยนะเพระาะทางคณะชาตาญาติโยมผู้ใดก็ตามนะที่เขียนจดหมายและส่งของมาเนะี่ะมาให้หลวงพ่อนะ่ะ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 ไปถ่ายเอกสารเอาไว้อีกเพื่อยืนยันว่าที่พูดอย่างนี้จริงอย่างนี้ก็มีนะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นตงโลกทุกวันนี้ไม่เหมือนตะกอนตะกอนพูดอะไรต็ครับผมแล้วก็จบกันไปนะแปลว่าเชื่อถือกันอย่างคนตะกอนคนจีนพ้นทะเลมาอยู่เมืองไทยทำมาค้าขายเอาแก้วชาชนกันเลยปว่าเรื่องนี้จบเพียงแค่นี้นะแปลว่าเข้าใจกันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ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 ก็ทาไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นที่พอใจเพราะตึกลงตาเนี่ยใครๆก็เมื่อทําลงไปล้วต้องทําให้ดีที่สดุดเหมาะสมที่สดุดเพราะว่าจะตุปปัจจัยของท่านก็หาไว้ให้ตั้งห้าร้อยล้านนะแต่กงเหลือเหลือก็คงจะทําประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็คือต้องได้ซ่อมอย่างลงพ่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้กำลังซ่อมเหมือนกันนะ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 ต้องอยู่ในพงหญ้าแ น, แน่แต่ขณะที่มันยังไปได้อยู่ก็อเอามันหมดน้ํามันหมดน้ํอด้วยสายพานมันหลุดมันเป็นอะไรก็ต้องรักษาไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันยาไปเรื่อยแต่หลวงพ่ออยากจะพูดจุดหนึ่งก็คือตรงที่หมอกรรงพยาบาลหมอขาไปารักษาลงตานะ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 หมอก็งงแตกอีกเหมือนกันทำไมเราก็บอกว่าเออหมอหมอหมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะให้ไว้ยาระงับเชื้อเอออย่าไปไว้ยาฆ่านะไม่ได้คาฆ่าคานี้มันกับพระเนี่ไม่ได้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเออเพราะนั้นจะไปคิดว่ายาฆ่าไอายาระงับเชื้อกับพูดกับองค์หลวงตานะเนี่ยแหละอันนี้พวก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 แล้วก็บอกว่ายอมยอมยอมเด็กมานด้แล้วนี่ะพิจารณาให้เป็นหลุมให้เป็นให้เป็ น, ห, ปนหลุมนี่ใชอแต่ไม่ให้ขุดดินนะบอกไม่ให้ขุดดินแต่ถ้ามันเป็นหลุมจะทำยังไงจึงจะเป็นหลุมได้แต่ไม่ให้ขุดดินเราไม่ได้บอกว่าให้ขุดดินเพราะพ่อวินัยท่านบอกว่าพิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดี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 อันนั้นคือมีวิญญาณทําให้กระดุกกระดิกได้นะแลว่ามีวิญญาณนะกนอกแต่ว่าจะเป็นต้นไม้เนะี่เป็นสิ่งที่มันประสมของธาตุสีท่ทนเองมันเกิดขึ้นมาไม่มีวิญญาณนะเพราะฉนั้นในพระวินยนะัยเนี่ยจะตัดก็ได้ได้ได้ไม่ผิดวินยัยไม่ผิดศีลเพราะไม่ได้ฆ่าแต่ว่าชาวบ้านเขานะเขาบอกว่า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 ประชุมสงเดยบัญยัติฟิในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามภาคของเถียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตินะคือผิดศีลเป็นข้อหนึ่งอันนี้คือบัญยัตตามโลกสมมุติในยุคสมัยนั้นเขาว่าโลกสมมุติว่าต้นไม้เนี่เป็นเป็นสัตว์มีชีวิตนะพุทโ์ก็บัญญัตบัญยัตตามโลกสมมตเขา เพื่อจะได้ประกาศพศาสนาจะไม่ให้มีการต่อต้านนะนี่หละอันนี้คือพระศาสนาของเราเนี่บางครั้งถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วบางครั้งท่านก็แครแครโลกกวัต ช, ชะเหมือนกันนะโลกติเตียนท่านก็ต้องยอมรับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโลกเขาติเตียนเราจะไปฝืนถ้าฝืนไปแล้วมันสู้กันมันสู้กันแล้วขาดความเคารพอย่างทุกวันนีหลวงพ่อเคยบอก